มันมีบริเวณหนึ่งนะแถว ery, เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมเนี่ยมีชายเลนนะก็มีนาเกลืออยู่พอสมควรประกอบว่ามีนกชายเลนหลายชนิดเลยนะมาอาศัยแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีฝรั่งที่เป็นนักดูนกเขาก็สนใจเรื่องนกชายเลนมาดูนกที่นั่นนะแล้วก็เจอ นกพันหนึ่งซึ่งหายากมากนกชายเลนปากช้อนทั้งโลกเนี่ยเหลือแค่40ตัวไม่สี่ร้อยตัวทั้งโลกเลยนะเหลือแค่400ตัวแล้วก็ว่าส่วนใหญ่เลยนะก็มาหากินเนี่ยแถวบ้านปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีเป็นนกอพยพนะจากรัสเซียหนีหนาวมา แล้วก็มาหากินเนี่ยแถวชายเลนบ้านแหลมโอ๊ยนักดูน้อ ก, ก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั่วโลกเลยเพราะอย่างที่บอกนะนกชายเลนปากช้อนเนี่ยมันกำลังจะสูญพันธุ์ละคีดดูนะทั้งโลกนี่เหลือแค่400รอตัวแล้วก็มาหากินกระจกกันนะอยู่แถวเนี่ยบ้านปากทะเลแล้วคนก็ไปดูกันนะนกมันก็น่ารักดีนะปากมันแบน งอยปามันเน่มันแบนเนี่เหมือนช้อนเรียกว่าสปูล น, นี่นะสปูนแปล ว, ว่าช้อนยกงมีคนเนี่ยเป็นห่วงว่าเนี่ยต่อไปพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเอื้อเฟื้อให้นกเหล่านี้เนี่ยได้มาหากินหรืออยู่อาศัยได้นานแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นที่เอกชน ถึงแม้เป็นนาเกลือเก่าๆเนี่ยแต่ว่าใครจะไปรู้วันดีคืนดีก็อาจจะมีคนซื้อไปแล้วก็พัฒนาเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรก็ได้ก็เลยมีคนเสนอนะหล่นนลงซื้อที่เลยนะซื้อที่ตรงนั้นแหละซึ่งเป็นนาเกลือเก่าๆซึ่งเหมือนไม่ค่อยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่อนาคตไม่แน่ก็ใช้เวลาสมเดือนนะคนก็บริจาค8ล้าน ก็สามารถจะซื้อที่ตรงนั้นได้ให้เป็นบ้านพักนะของนกชายเลนปากช้อนแล้วก็นกชายเลนชนินอื่นๆมันก็เป็นเรื่องที่น่านุ่มน์ทนามากนะบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ให้เป็นบ้านของนกส่วนใหญ่เนี่ยเราก็นึกถึงการทําบุญด้วยการ ถวายเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้วัดสร้างศาลาสร้างกุฏิแต่ว่าการบริจาคเงินเนะี่ยเพื่อซื้อที่ให้นกอยู่นี่ก็มันก็มีคุณค่านะเรื่อว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าคนที่บริจาคเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญเท่าไหร่เขาคิดถึงนกเขาเป็นห่วงนกมากกว่าซึ่งกำลังจะสูญพันธ์ บางคนก็อสงสัยว่าแม่น่าจะบริจาคให้เด็กยากจนคนลําบากคนไร้บ้านคนเหล่านี้เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันอันนัาก็เชื่อว่าคนที่บริจาคเงินซื้อที่ให้นกชายเรียนปากช้อนเนี่ยหลายคนหรือส่วนใหญ่ก็คงจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าเห็นนกสําคัญกว่าคนคนที่เดือดร้อนเขาก็ช่วยนะแต่ว่านกที่ต่อไปอาจจะสูญพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเดือดร้อนเหมือนกันเรียกว่าเป็นความเป็นความตายเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็ตายในี่สุดแล้วก็ไม่ใช่ตายตัวเดียวนะตายยกฝูงเลยหรือว่าสูญพันธไปหมดนะ ซึ่งจะว่าไปเนี่ยการซื้อที่ให้นกอยู่เนี่ยนะเพื่อต่ออายุนะชนิดพันธุ์ให้ยืนยาวเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์ด้วยนะต่อไปลูกหลานก็จะได้เห็นแล้วก็รู้ว่าไอ้นกชายเลนปากช้อนหน้าตาเป็นอย่างไรนะแล้วก็นกชายเลนชนิดอื่นมันไม่ใช่แค่ความรู้เฉยๆนะเพราะนกเหล่านี้เนี่ย ใครจะไปรู้นะว่าเขาจะมีคุณค่าความสำคัญอย่างไรต่อระบบนิเวศนะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์นะสัตว์หลายชนิดนะแม้กระทั่งมแมลงเนี่ยรวมแม้กระทั่งเชื้อโรคไม่ใช่แบคทีเรียเนี่ยเราเพิ่งมารู้ทีหลังนะว่ามันมีความสำคัญมากนะไม่ใช่ต่อโลกเนี่ยนะต่อมนุษย์ด้วยนะอย่างเช่นแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยว่ามันสามารถจะรักษาโรค ที่เกิดขึ้นกับคนได้บางอย่างก็สามารถจะย่อยสลายพลาสติกได้นะซึ่งกำลังเป็นปัญหาปวดหัวของคนทั้งโลกอย่างกระสุนยินเนี่ยนะซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคานเล็กๆนะวัดเราก็มีเยอะนะนี่ก็สำคัญนะเขาช่วยกำจัดโลหะหนักในในดินเนี่ยซึ่งต่อไปเราก็า จ, จะเอาสมาทัทเอ่อเอ า, เอาความรู้ จากกระสุนเพช น, นี้ยมาใช้ในการกำจัดโลหะหนักในที่ต่างๆได้เหมือนกับที่เราทุกวันนี้เอาฮอร์โมนเอาสารเคมีบางอย่างของสันเนี่ยมาใช้ทำรรยารักษาโรคหรือไม่ฉะนั้นก็เอามาเป็นแบบในการสังเคราะห์สารเคมีเพื่อรักษาโรค โลกหัวใจโลกมะเร็งต่อไปก็อาจจะต้องอาศัยความรู้จากที่ได้จากสัตว์ที่อาจจะไม่โดดเด่นเหมือนแพนดา้าเหมือนช้างเหมือนปาวานแต่ว่ามีความหมายแม้กระทั่งพึ่งนะผีเสื้อหรือค้างคาวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วนะว่าถ้าจำนวนหดหายไปมากเท่าไหร่นี่ มีคนก็ทบต่อคนเราโดยตรงเลยนะเพราะอาหารเนี่ยที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็มาจากการผสมการช่วยผสมแกสอนของสัตว์เหล่าเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอนุรักษ์หรือการรักษาถิ่นที่อยู่ยของสัตว์รวมนักนกโดยเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นประโยชน์สําหรับนักดูนกหรือว่า คนที่สนใจเรื่องสัตว์เท่านั้นนะแต่มันมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเลยทีเดียวและจะว่าเวลาถึงแล้วมันจะไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เลยนะการที่ซื้อที่ให้นกอยู่เนี่ยมันก็มีความสําคัญนะเพราะว่ามันเป็นบ้านของเขามานานแล้วเป็นบ้านของเขามาตั้งแต่หลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีแล้วแต่ก่อนก็ก็มาอยู่ได้ โดยที่ไม่เดือดร้อนแต่พอมนุษย์นะอพยพมาถึงถิ่นเหล่านี้เนี่ยก็จับจองจับจองเป็นเจ้าของแล้วก็บอกว่าเป็นของชั้นของชั้นของชั้นลืมไหมว่าเนี่ยนกแล้วก็สัตว์นานาชนิดเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในโลกใบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็อยู่มานาแล้วด้วยเราไม่ค่อยตระหนักนะว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ย เขามีสิทธิ์ในโลกนี้เหมือนกันเราไม่นระเพราะเราคิดว่าเราคือเจ้าของโลกใบนี้มนุษย์คือเจ้าของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันก็ได้เราคิดว่าเนี่ยป่าพื้นนี้เป็นของเราหาดทรายแถมนี้เป็นของเราพอเป็นของเราทำไงมีสิทธิ์ที่จะกําจัดสิ่งอื่นที่เราไม่ชอบหรือไม่มีไม่เห็นประโยชน์ได้ต้นไม้ก็ตัด สัตว์ก็ฆ่าอันนี้เพราะว่าเราไปสําคัญถือว่าเราเป็นเจ้าของโลกใบนี้เราก็เลยมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้นก็ได้ทั้งที่เนี่ยเราก็มาทีหลังที่จริงเราเนี่ยเป็นมนุษย์เรานี่เป็นเพียงแค่ผู้อาศัยนะสัตว์อื่นนี่เขาก็มาร่วมอาศัยโลกใบนี้เหมือนกับเราถ้าเราเป็นเจ้าของโลก สัตว์ชนิดอื่นก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้ร่วมกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถือสิทธิ์นะจะทำอะไรกับพื้นที่หรือกับโลกใบนี้เนี่ยโดยไม่คำนึงถึงชีวิตอื่นเลยไม่ได้นะแม้ในเมื่อป่าหรือว่าชายเลนแถบ น, นั้นเนี่ยมันกาลังจะถูกมนุษย์คุกคามจนกระทั่งลกไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยก็สมควรนะที่เราจะช่วยกัน อ่าอนุรักษ์พื้นที่นั้นไวให้นกได้อยู่เมืองกะเชื่อก็อยู่กันมาเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะอนุร้อยให้นกอยู่ได้ก็ต้องซื้อที่นะเพราะถ้าไม่ซื้อที่เดี๋ยวเจ้าของเดิมเขาก็อาจจะทาอะไรกับที่ตรงนั้นจนกระทั่งนกอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นกอย่างเดียวนะงูเงี้ยวเขียวขอนะหรือว่ามแมลงต่างๆนี่เขาก็ มีสิทธิ์ในโลกใบนี้เหมือนกันให้เราตระหนักว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยทุกอย่างเป็นเพื่อนร่วมโลกแล้วเราก็มาอยู่ชั่วคราวนะสุดท้ายเราก็ต้องตายเราเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยแล้วก็มาอยู่ชั่วคราวให้เราลึกเอาไว้เสมอจะไดะ้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่คิดที่จ ะ, ะครอบครองทุกอย่างโดยที่ไม่สนใจ ชีวิตอื่นหรือแม้แต่คนอื่นเลยนะนะและพอเราคิดแบบนี้นะโลกเป็นของเราเราเป็นเจ้าของโลกเราจะทำอะไรกับโลกใบนี้ก็ได้สุดท้ายเป็นยังไงนะป่าถูกทําลายนะสัตว์ถูกฆ่าแล้วก็ธรรมชาติก็กำลังเลวร้ายลงเนะี่ยเพราะความคิดแบบนี้แหละงั้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยนะเราจะระมัดระวังแล้วก็อ่อนโยนต่อโลกใบนี้มากขึ้นแลสุดท้ายโลกก็จะ เป็นที่ที่เกื้อกูลต่อการอยู่ของเราไม่ใช่เต็มไปด้วยภัยธรรมชาติอย่างทุกวันนี้